ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงครงจากมาวิทายทลยศรีปทุมกำลังนำเสนอพระสูตรในอุทานสืบต่อกันมาโดยลำดับก็มาถึงพระสูตรที่ออกจะแปลกไปสองเรื่องก็เรียกว่าปัทมะกิริสูตรตุติยากิริสูตรกิระแปลว่าได้ยินว่านะ ไนจินว่าคือเป็นความยึดถือแล้วก็นำไปสู่การถกเถียงกันด้วยประการต่างๆเพียงแต่ว่าตัวทิฏฐินี้มันเปลี่ยนตัวเจ้าก็คงประทับอยู่ในสถานที่เดิมนะแล้วก็พวกนักบวชต่างๆลัทธิคณาจารย์เจ้าลัทธิทั้งหลายเนะี่ยก็มียกประเด็นขึ้นมาถกเถียงกัน ก็คล้ายๆขยายจากประเด็นก่อนที่พูดไว้ในวันก่อนนะฮะโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพบรนณั้นสิระอันนั้นชีพเป น, นอื่นสิระอันอื่นสัตว์เบิงหน้าแต่ตายแล้วยอมเกิดดีจอมเป็นอีกสัตว์เบิงหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดดียอมไม่เป็นอีกสัตว์เบิงหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดดีก็หาไม่ได้ไม่เกิดดีก็หาไม่ได้เลยนี่ยก็เป็นเครียกอันตรายกาทิจิสิบระการแต่พวกนี้ถ้าพูดถึงศึกษา หาขยายความเข้าใจของเขานะโะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ว่ากันเป็นหนังสือเป็นเล่มนะฮะแต่และข้อมันมีนัยยะมีนัยยะที่จะต้องทําความเข้าใจเยอะแล้วก็ตามพื้นฐานความเข้าใจของเขาความคิดของเขาเนี่ยต่อมาก็มาถึงทิฏฐิอีกชุดหนึ่งที่ว่าตนและโลกเที่ยงนี้แหละจริงจริงอื่นเปล่าแล้วก็มีปัญหาแหละเที่ยงคืออะไรล่ะ เซ่ยคือดำรงอยู่ตลอดกับตลอดการช่วยในรันดอนอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นทําไมคุณจึงตายล่ะะทีนี้มันก็กลายคําว่าตนมันคืออะไรล่ะอันนี้คือแนวอัตตมันแนวปรมาตมันแนวมหาตมันนะือหมายความว่าใ้ตัวอัตตาตัวตนใหญ่น่ะเขาเรียกมหาตมันหรือว่าปรมาตมันหรือว่าพรหมมันก็แล้วแต่จะเรียกนะหมายความตัวใหญ่เป็นที่มาของสรรพสิ่ง เป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันแล้วตัวโลกเองนะโลกเองก็เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันอันอย่างอื่นเนี่ยไม่เที่ยงไนะปเศษอย่างอื่นหมดแต่ว่าไปยืนยันในเรื่องตรงนี้แลีวมันก็แปลกนะหมายความว่าตัวสิ่งที่มาตามันสร้างขึ้นปรากฏว่าไม่เที่ยงแต่ตัวมาตามันเที่ยง อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอนาธิคือไม่มีเบื้องต้นเป็นอนันตะคือไม่มีที่สุดแล้วก็เป็นอสังขยะคือไม่หมดสิ้นไปก็เป็นที่มาของสปปรรพสิ่งพระเจ้อาอะไรเคยแสดงเรื่องนี้นะฮะแสดงไว้ในพรมชาลสูตรตรับสั่งเล่า ว, ว่ามันเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่บำเพ็ญเพียรทางจิตมาอย่างประณีตแล้วก็บังเกิดได้ปฐมชาญระดับประณีต มันเกิดเป็นมหาพรหมในพรหมโลกชั้นสามแต่นั้นเองนะแต่จริงเขาไม่ได้สูงอะไรครับมันเกิดเป็นมหาพรหมในพรหมโลกชั้นที่สามแล้วก็ไม่รู้ที่ไปที่มาตัวเองเข้าใจว่าตัวเองเนเกิดเองฮนะเป็นสยามภูคือเป็นเองก็อยู่นานๆก็เหงาคิดอยากจะให้คนอื่นเข้ามาอยู่ด้วย แล้วพอดีมีคนคนหนึ่งมันเป็นเพียนทางจิตมาในแนวเดียวกันคือได้ฌานมาด้วยกันโดยฌานยากกว่าก็ผูดขึ้นมาในขณะที่ท่านคิดเนี่ยพวกนี้เป็นโอปปาติกะนะก็พูดขึ้นมาในขณะที่ท่านคิ ด, คนะ ด, ท, ท, คดท่านก็เข้าใจเอาว่าอันนี้มันเกิดขึ้นจากความคิดของท่านท่านก็เลยครอบความคิดของของเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยของพระนี่เกิดใหม่ เห็นว่าท่านนั้นเกิดขึ้นจากท่านเป็นผู้สร้างพรหมนะแล้วก็พรหมก็มาจากพรหมแล้วจะกลับไปสู่พรหมเดี๋ยนี้คนคนหนึ่งเนี่ยก็มั่งฌานมันต่ำกว่าอายุมันก็สั้นกว่าก็ตายไปไปเกิดแต่วจิตที่มันติดอยู่ในฌานเนี่ยยังอยู่พอใจนิยมชื่นชมยินดีใ น, ในการเข้าฌานก็ศึกษารเรื่องฌานก็บรรลุปฐมฌานอีกระ ล, ลึกฌานได้ได้ปัญญาระลึกฌานได้ ลึกชาติก็ชนโครมเลยนะฮะคือเลิกได้ทีเดียวลึกชาติก่อนไปชนโครมเลยก็เออเรามาจากไหนเราเป็นใครเรามาจากไหนชาติก่อนเราเป็นใครก็รู้สึกว่ามาจากพรหมแล้วก็ถูกครอบมาจากพรหมก็มาเผยแพร่ละทิความคิดแบ น, นี้ใจชาวโลกชาโลกก็รับรู้ความคิดแ น, นั้นวันที่พระเจ้าทรงสอนแสดงแกว่าเสถ่าพโนบะเหมือนตาบอดปิจูงเป็นแถว ลักษณะตาบอดจึงมัเป็นแถวคือต่างคนต่างก็ไม่รู้ต่างคนต่างก็ไม่รู้ตัวมาพรมเองท่านอย่างไม่ได้จุติแต่ก่อนนั้นว่าท่านเที่ยงะคนเราเป็นจำนวนไม่น้อยนะให้หเราสังเกตทั้งๆ ท, ที่เราเรียนเรื่องอันนี้จังทุกขังหน้าตาอย่างเนี้ยแต่ว่าตัวเราเองเรายังคิดเราเที่ยงกบโกยตักตวงแสวงหาผลประโยชน์อมากมายแก่กล้อง ถ้าจะอยู่อีกสักล้านปีเนี่ยไม่มีการบัญญัปบรรยังกันแหละมันก็แสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจว่าเราเชี่ยงสาวสมบัติเองก็เชี่ยงดันความเข้าใจในแนวนี้เราจะโทษเขาทีเดียวก็ไม่ได้นะเป็นธรรมดาของสัตว์โลกสัตว์โลกนี่ชอบเชี่ยงแปลว่าชอ บ, ชอบเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชอบให้เชี่ยงถ้าตัวเองไม่ชอบก็ไม่ไม่ต้องการให้เชี่ยงต้องการให้ทําลาย มันก็เกิดอาการของตัณหาทั้งสามที่เคยเล่าให้ฟังว่าการมาตัณหาเพราะว่ตัณหาเนี่ยมันเกิดมาจากสตตทิฏฐิคือเข้าใจว่าสิ่งต่งางๆนี้เที่ยงแท้ยัง่งยืบไม่แปรพันแล้วจนถึงก็เผลอๆก็เราเองก็เท่งแท้ยัง่งยืบไม่แปรพันธด้วยทีนี้อุเฉทิฏฐิที่เห็นว่าขาดสูตรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการไม่ชอบอะ่ะมองสิ่งหรือตัวเองไม่พอใจ่ มองจากวิภาวาตานาวิภาวัตานาเราสังเกตว่าเป็นความรู้สึกไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นแต่ก็หมายความว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างอื่นมันก็ซ่อนอยู่ตรงนั้นแหละซ่อนอยู่ภายในใจตรงนั้นแล้แนวความคิดตรงนี้ที่ท่านขยายออกมาเนี่ยมันต่างจากประเด็นที่กล่าวไว้ในวันก่อนแต่ว่าข้อความนจะคล้ายกันมาก ข้อที่สองนั้นบอกว่าตนและโลกไม่เที่ยงนคือไปเศษเลยเมื่อก่อนนี่พูดเฉพาะโลกอันนี้เพิ่มเพิ่มตนเข้าไปนะเพิ่มตนเข้าไป<ม>ตนและโลกไม่เที่ยงประเด็นแรกเราบอกว่าตนและโลกไม่เที่ยงแล้วก็อีกอะโลกมันก็เถียงเรื่องโลกกันอีกแล้วตนคืออะไรอีกนะเพราะตนนี่ก็เปลี่ยนชื่อเรียกกันมาเรื่อยในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงมันเป็นพรหมเป็นพระพรหมไปแล้วนะฮะเป็นพระพรหมไปแล้ว เาเรียกมาก่อนหน้านั้นเรียกมามาตมันปรามาตมันมหาตมันพรมมันเนี่ยผ่านยุคสมัยมาเยอะชื่อเหล่านี้แต่ว่าสรุปว่าเป็นที่มาของสัรพสิ่งคือตอนนี้กำลังจะหาหนังสือศาสนประวัติของสมเด็จพระมหาเวรรงพิมพ์ธรรมธโรวัตรฤสีมหาธาตุเนี่ย หรือท่านเขียนตั้งแต่ศาสนาปฐมภูมิรวบรวมไว้ตั้งแต่ศาสนาปฐมภูมิแล้วมันขาดตลาดได้ไงอ่ะเป็นหนังสือทางวิชาการทางนักธุรกิจเขาไม่ชอบพิมพ์ขึ้นมาจะเป็นเรื่องท น, น่าเสียดายนะโดยเห็นว่าความเชื่อในแนวเนี้ยมันคลๆก๊อี้กันเปลียนตัวที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าเปลียนชื่อนะฮะเปลี่ยนชื่อโดยลักษณะโดยสภาวะแล้วก็คือกัน่ เป็นหนึ่งไม่มีสองทั้งนั้นแหละตั้งแต่ดินน้ำลงไฟอากาศนะครับนะข้อต่อไปเรียกสํานัณพรามพหมณุกนึงมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าตนได้โลกเที่ยงก็มีไม่เที่ยงก็มีเอาละทีทนี้ก็ขัดแย้งกับพวกสองสองสอ ง, สองพวกแรกทีนี้อย่าลืมนะฮะว่าในสุขนเถียงกันเถียงกันไอ้เที่ยงก็มีนี่คืออะไรไม่เที่ยงก็มีนี่คืออะไร นะยังแนวอย่างแนวพวกอารยธรรมลุ่มในน้ำในเนี่ยก็ถือว่าจิตมันเที่ยงแต่ว่ากายไม่เที่ยงในขณะเดียวกันกายเองก็สามารถจะฟื้นขึ้ น, นมาได้เลยแต่ว่าแต่ลุกขึ้นมาได้ก็เป็นเหตุให้เกิดมัมมี่อะไรต่างๆมากมายตนเล่นโลกก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่นะอันนี้ยุ่งเลย ฝั่งยากแห ล, ละตนเล่โลกน่ก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่เบรสษหมดผู้หนึ่งก็บอกว่าตนเละโลกอันตนเองสร้างสารรค์ตนเละโลกนี่ยอันตนสร้างสารรค์ขึ้นหมายความทั้งตนทั้งโลกเนี่ยอัตตาตัวมหาตมันเนี่ยตัวใหญ่อะเป็นผู้สร้างขึ้นตัวนี้ก็มีความโน้มเอียงเข้าสู่ลทัทธิพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่ง แล้วก็ตนในโลกอันผู้อื่นสร้างสรรไอันี้แสดงว่าตนในโลกเป็นผลไม่ใช่เป็นเหตุสรุปว่ามีสองกระแสกระแสหนึ่งถือว่าตนในโลกเนี่ยเป็นเป็นเป็นเหตุที่มาของสรรพสิ่งและตัวตนนี่จะเป็นตัวใหญ่มากแม้แต่ว่าโลกเองเนี่ยตนก็สร้างขึ้นมาแต่ผู้หนึ่งบอกว่าตนในโลกไม่ใช่ตนในโลกเป็นผู้อื่นสร้างเกิแสดงว่าตนในโลกเป็นผล่ เ, เกะะิดขึ้นมาจากคนอื่น แล้วก็บอกว่าตนและโลกอันผู้อื่นสร้างสรรค์ตนและโลกอันผู้อื่นสร้างสรรค์นะฮะข้อข้อที่เจ็ดบอกว่าตนและโลกอันตนเองสร้างสรรค์ก็มีอันผู้อื่นสร้างสรรค์ก็มีอันนี้แบ่งกันอันนี้คือเพื่อจุดจุดต่างมันต่างกันเพียงคาสองคำอะแล้วพวกนี้เถียงกันอยู่ได้อแขกนี่ก็แปลก็ชอบเถียงชอบเถียงชอบพฟางชอบพูด เสียเวลาเยอะแต่ก yeah. ็เก่งอย่างนะความจําก็ดีนะคนแขกนควจำจําก็เก่งจริงเพื่อนนักศึกษาที่เรียนด้วยกันนี่ไม่เห็นแก่มีเอกสารเลยถือสมุดเล่มเดียวไปเรียนนั่งเลคเชอร์จดเลคเชอร์เสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องสมุดใหญ่ศึกษาค้นคว้าหาความเข้าใจเอาทาโน้ตขึ้นมาเขียนขึ้นมาเองเองโดนในโลกเกิดขึ้นลอยๆ นะตนเองสร้างสารรค์ก็หาไม่ได้ผู้อื่นสร้างสรรก็หาไม่ได้อันนี้เป็นลักษณะลอยๆคือว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะมันเกิดขึ้นลอยๆแล้วพวกลอยๆเหล่านี้มันก็กลายเป็นโชคเป็นเคราะเป็นอะไรบริสุทธิ์เองลอยๆอยนะสร้างขึ้นมาเองลอยๆอยเป็นคล้ายๆบังเอิญอะ่ะเป็นลัที่คล้ายๆบังเอิญเห็นว่าถามมันทำไมหินนึงกลมเอมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องบังเอิญ เรื่องบางเ e อิญมันทำไมมนาอลรมไม่เรื่องบังเอิญนะอันนี้จะถือเป็นเรื <t> ่องบังเอิญแล้วก็ตนและโลกยั่งยืนมีทั้งสุขหรือทุกข์นี้ก็ถือว่าเชี่ยงแต่ว่ามันมีตัวสวยคือตัวอัตตาตัวตนเนี่เป็นตัวเสวยตัวสุขแล้วก็ทุกข์ตนแลโลกไม่ยั่งยืนมีทั้งสุขหรือทุกข์เหมือนกันแต่ไม่ยั่งยืนทั้งตนทั้งโลกเนี่ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์แต่ว่าไม่ยั่งยืน ก็ต่อไปบอกว่าตนลนโลกมีทั้งสุขและทุกข์ยั่งยืนก็มีไม่ยั่งยืนก็มีนะครก็สิบสองบอกว่าตนและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ยั่งยืนก็หาไม่ได้ไม่ยั่งยืนก็หาไม่ได้ตนในโลกมีทั้งสุขและทุกข์ตนเองสร้างสรรค์ตนลนโลกมีทั้งสุขและทุกข์ผู้อื่นสร้างสรรค์นี่แหละอื่นจริงนี้แหละจริงอย่างอื่นไม่จริงนะครัก็ไปเสดไปเรื่อยๆจนถึงกั ตนและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ตนเองสร้างสรรค์ก็มีผู้อื่นสร้างสรรค์ก็มีนี้แหละจริงอย่างอื่นไม่จริงคนทิฏฐิที่สิบหกนี้ก็บอกว่าตนและโลกมีทั้งสุขและทุกข์เกิดขึ้นลอยๆตนเองสร้างก็หาไม่ได้ผู้อื่นสร้างก็หาไม่ได้นี่แหละยิ่งอื่นเปล่าถ้าเราสังเกตนะถ้าเราเอาหลักเหล่านี้เข้าไปพูดมีคนเชื่อ บางละพิจะมีคนเชื่อบางบางข้อเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งเชื่อนะฮะหรเมื่อเราเผ ย, ยแพร่ขึ้นมาแล้วท่านมีความความคิดเห็นยังไงต่อทิฏฐิทั้งสี่ประการเนี่ยแล้วก็มีคนอนธิบายกรอกขอบข่ายของความคิดเห็นให้ให้ฟังว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งไปเชื่ออย่างไงวันพูกนี้ยังจริงยังไม่หายไปนะะยังอยู่ในโลกยังอยู่คู่โลกเพราะว่ามันเป็นลักษณะของโมหะ คือเราไม่รู้ว่าเราอยู่ด้วยทรรกลางวิชาวิชามนุษุ์หมอเอาไว้มันปิดบางเหตุผลสติปัญญาเอาไว้จะไปเสดเขาสิ้นเชิงมันก็ไม่กล้าปฏิเสธนะแต่ว่าเราจเห็นว่าพระพุทธศาสนานี่ลอยออกมาจากตรงนี้แต่ไม่ใช่ลอยอย่างสิ้นเชิงหรอกเพราะว่านั่นก็มีกายมีจิตเชื่อจะต่างกันแต่ก็มีกายมีจิต นะตัวอัตตาตัวตนเนี่ยมันมีความโน้มเอียงไปในทางที่เป็นจิตบางทีอัตตกถาท่านก็แก้เลยนะฮะเป็นจิตมโนเป็นจิตเลยเป็นอัตตาเลยนี่ที่จริงไม่ไม่มีเราเราเราไม่ถึงกันเรียกขนาดนั้นแต่ว่าอัตตาของเราเนี่ยหมายความว่าตัวชีวิตอ่ะตั้ชีวิตรวมๆแต่เป็นสมมติสัจจนะพูดในแง่ายของความเป็นสมมติสัจจะแต่พวกนี้พูดในแง่ายของความจริงนะความจริงที่แท้จริงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ทนเหตุการณ์ก็ทันมองเดิมนะฮะทันมองพระสูตรเดิมคือพวกนี้ไปเฝ้าพระพระที่ท่านได้ยินเนี่ยท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจา้าแล้วก็กราบทูลให้ทรงทราบ พ, พุทธเจ้าก็ทรงสแสดงคุณลักษณะคุณสมบัติของคนเหล่านี้เหมือนเดิมนะฮะว่าพวกนี้มีลัทธิต่างกันมีทิฏฐิคือความเห็นที่ต่างกันมีความพอใจต่างกันอาศัยทิฏฐินิสัยต่างกัน แล้วก็อาศัยอยู่ในเมืองสาวัติยนั้นก็เป็นคารกราบทูงของพวกภิกษุไปกันพระเจ้าก็ส ะ, สะท้อนละะนะักษณะเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันเลยคือคือคือจริงก็กลุ่มเดียวกันแนหะพวกมาจะตาเพ่าเดียวกันรับสั่งว่าพวกนักบวชนอกาศาสนาเรานี้แต่ว่าทรงยกมาเฉพาะอัญญาดิระกีกับปริพาชกแต่จริงแล้วนักบวชเขหลายพวกนะนักบวชเขหลายพวกไม่มีจักสุ จากสูนี้คือตาปัญญานะตาปัญญาที่จะมองได้อย่างลึกซึ้งซึ่งบางทีเนี่ยแม้เราต้องใช้ความเชื่อแต่พวกนี้เราจะเห็นว่าบางทีก็เป็นความเห็นของเขาเองโดยตัดสินด้วยอัตวิสัยบางครั้งก็อาจจะไปเชื่อถือใครมาแล้วก็ยอมรับจำนวนนะฮะจำนวนตามข้อมูลที่คนเหล่านั้นเสนอ ต, ตามปกติแล้วคนก็จะจะมีลักขณะอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรเราเชื่อแล้วเราจะไปแก้ต่างให้เขาทาั้งๆที่ไม่ได้ลึกซึกงอะไรเท่าไหร่นะบ า, าบางครั้งบางข่าวเนี่ยเป็นคนไปพูดว่าถ้าผมไม่เห็นผมไม่เชื่อมันแค่ๆข่มขายแค่ๆกับเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เก่งมากมีวิจารณญาณลึกซึ้งมาก แต่ก็จริงแล้วมันก็เหลวนะเพราะว่ามีเรื่องเยอะที่เราไม่เคยเห็นแต่เราต้องเชื่อวัฒแหล่งของความเชื่อจริงๆไม่ได้มาจากประสาทสัมผัสอย่างเดียวไม่จากเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสุดมดนโดยจมูกลิมโดยลิ้นถูกต้องโดยกายหรือว่านึกคิดเอาอย่างเดียวแต่บางอย่างมันเป็นเรื่องการอนุมานเอา บางอย่างมันอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ทางพงศาวดารทางวรรณกรรมต่างๆเลยแต่มันมากมายไก่กอะนะฮะแต่ทั้งหมดเนี่สรุปแล้วก็ต้องผ่านการการกรองการตรวจสอบการพิจิตพิจารณาแต่ว่าคนเราถ้าไปยึดติดแล้วก็จะไม่คิดนะยึดยึดติดแล้วจะไม่ยอมคิดจะไม่ยอมฟังเหตุผลที่คนอื่นเขาให้ อย่างที่เคยเล่าถึงนางกีสาโคตมีนะเป็นคนมีบา ร, รมีจะ บ, บรรลุมรรคผลเป็นพระหัน์แต่โบท่านยึดติดขึ้นมาเนี่ยลูกท่านตายแล้วแต่ท่านถือว่าไม่ตายใครจะอธิบายชี้แจงยังไงบอกยังไงว่าลูกตายแล้วนะคนเดาไปพอไปฟังเนี่ยไม่ได้โกรธเลยแล้วก็ถือว่ายัางรักษาได้วันไปเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าต้องใช้วิธีใหม่ เป็นปฏิบัติการในจิตวิทยาอาจจะรักษาก็รักษาแต่ให้เธอไปหามเมล็ดพันุ์ผักกาดมาถัากํามือหนึ่งที่บ้านใครก็ได้ก็ก็ตามนะแต่ถามก็ดูก่อนนะก่อนจะเอามาเนี่ยว่าที่บ้านนี้มีคนตายหรือเปล่าถ้าเคยมีคนตายเนี่ยเอามาประกอบพันยาไม่ได้ต้องออกมาจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเป็นวิธีการถอนลูกโซ่ ลูกสอนคือความสุขที่อยู่ภายในใจเป็นลักษณะของน้ำเข้าหูแล้วน้ำหยอดน้าหยอดหูหมายความว่าเธอจะได้ซึมซับความจริงไปโดยลำดับเมื่อคนที่เขาให้แม่เล็ดพันประกาศแล้วต่อไปทธิบ้านเนี่ยเคยมีคนตายกี่คนกี่คนก็ก็บอกไปก็เป็นการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไป และสุดมันจะล้างข้อมูลเก่าคือเป็นถึ่งเป็นอุปาทานนะที่ยังเป็นความยึดติดโดยอำนาจของอุปาทานไปถึงเจนหนึ่งเธอก็ฝังลูกเองะฝังลูกเองแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมาออกบวชไม่นานก็บรรุนเป็นภิกษุณีเป็นไม่ใช่บรรลุเป็นพระอรหันด้วยการมอง เรีวเจียนนะฮเรีวเจียนที่ละลายแทง่งกอทูบโดยทำไปนะเป็นทูบสมัยนั้นยังมีเถียนอะไอย่างนี้ว่าเป็นเป็นทูบที่จุดขึ้นมาบูชาพระแล้วก็ถูกไฟไหม้ลามไปบางทีก็ดับตรงนั้นดับตรงนี้คือมันมีอปัจจัยมันแทรกหรือไม่บางทีก็ไม่ไหม้หมดมันดับเรามำเองว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นในสูพ่พระเจ้าทรงแสดงเห็นว่า ผู้เหล่นี้ไม่รู้จักประโยชน์ไม่รู้จักความผิดผายไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักสภาพไม่ใช่ธรรมไม่รู้จักประโยชน์ไม่รู้จักความผิดผายใช่ประโยชน์ไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักสภาพไม่ใช่ธรรมก็บาดมางกันทะเลาะกันวิวาทกันทิ่มแทงกันด้วยมุขสติหอกปากมเป็นเช่นนี้ทำทำเป็นเช่นนี้ เสียงกันว่าทำเป็นเช่นนี้คนหนึ่งไม่เป็นเช่นนี้เอาเถียงกันคนหนึ่งก็ใช่คนหนึ่งเขาไม่ใช่เนี่ยอย่างเดียวนี่ก็เสียงกันไปกันมาทั้งเยอะแล้วแต่เราจะเห็นว่าถ้าคนหนึ่งบอกว่าใช่ก็ปล่อยเขาไปเราไม่ใช่เราก็ไม่เสียงปัญหาการถกเสียงก็ยุติแต่ทีนี้เมื่อใครหนึ่งบอกว่าใช่คนหนึ่งบอกไม่ใช่คนหนึ่งบอกว่าถูกคนหนึ่งบอกผิดอย่างเงี้ยเสร็จเลยเสียงกันนกี่ปีก็ไม่จบ มันเป็นการสูญเปล่าเป็นการสูญเสียเวลาแทนที่จะลงมือพิสูจน์ทดสอบอะไรแล้วพระเจ้าก็ทรงเปล่งเป็นรูปพุทธอุทานว่าได้ยินว่าสมณพราหมพวกหนึ่งคล้องอยู่ในชิดจิตนิสัยเหล่านี้ข้อไหนก็ได้นะฮะแต่ข้อหนึ่งให้เองสังเกตนะมนุษย์เรานี่ยเอานิดเดียวเนะสมมติว่า บุญบาปไม่มีในโลกสวรรค์ไม่มีเนี่ยเราไปยึดถืออย่างนั้นบุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีโอ้โหเสี่ยงมากหลายคนกนเนี่ยจะเป็นพิษเป็นภัยอย่างแรงต่อสังคมแล้วจะเป็นอันตรายที่ติดตามตัวไปสู่สังสารวัตรเปนยาวนานนะ ท, ท, ท, ทั้งๆด้วยความเห็นชั้นนิดเดียบาปบุญไม่มีในโลกสวรรค์นนนี่พระเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่อ เลยพวกนี้จะไม่กลัวบาปทำบาปโดยไม่กระพริบตานะอย่างความคิดของคนสมัยนีย้เราจะเห็นว่าวิธีการอย่างที่เราดูข่าวโทรทัศน์เนี่ยจริงเราก็เห็นนะเราก็สังเกตได้คนนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใชนะ่คนหนึ่งยืนยืนเว้าวรถตัวเองอยู่จะทำไมีคนมาจากเจ้าที่จ้า ก, การดูตรงนั้นดูตรงนี้เร า, า, าเอายศมรุกมาเอ า, ายกรถเข้าไปเลยต่อหน้า แกถามมาทาอะไรรถผมบอกว่ารถผมไม่จะเอาไปรถคุณยังไงรถผมแล้วก็หลักฐาน ม, มาดูก็ค่อยๆหนีไปอันนี้คืนนี้ปุี้ไม่กลัวบาปกินของร้อนอย่างนี้นี่อาการหนักอยู่ไม่ได้นานนะแล้วจะเจอผลกรรมแต่ว่าเมื่อเธอไม่เชื่อเนี่ยพอเจอผลขึ้นมาเธอก็ปฏิเสธ เหนะมือนก็คนคนหนึ่งแถวจังหวัดสุพรรณเนี่ยเขาเล่าให้ฟัว่าเวลาแกมีงานมีการอะไรก็ไม่รู้แก ก, ก็ไปขโมยควายเพื่อนมาฆ่าเรื่อยวันหนึ่งก็ไปขโมยควายมาฆ่าจำละกินเลี้ยงสะล้องดื่มเหล้าอะไรแต่อไรก็สนุกสนานพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเมามากไปยังไงเนี่ยมันเกิดไปฟาดเอาตะเกียงแล้วก็ล้มแล้วก็ น้ำมันก็ไหลไฟก็ไหมนะ้ถูกตัวแกลวกพองเต็มไป ห, หมดเลยก็ประสบความทุกข์ทรมานมากเพื่อนก็เอาใบตองใบตองกล้วยเนี่ยมาปูลแล้วก็ให้นอนคงคงเป็นเรื่องนานนะ่นะดูแล้วคล้ายๆกับแพทย์แผนปัจบุบันยังมีที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเพื่อนก็เห็นว่าตายแน่นะบอกว่า ให้ภาวนาว่าอา ร, ห, นะอารหังไว้นะอารหังไว้อย่าลืมอารหังภาวนาอารหังไว้แกไม่ได้ฟังแกไม่เข้าใจอะอระหังคืออะไระแต่ว่าในในตาของแกเขาเรียกว่าเป็นกรรมารมกรรมนิมิตา ร, รมคตินิมิตา ร, รมตัวกรรมารุมนะอา ร, รมคือกรรมอาศัยที่แกเคยข้าวควายมาเยอะแกบอกว่า ไอพระที่ไหนมีหางวะกูไม่เห็นกูเห็นตะควายตัวหนึ่งมีหางเพราะนั้นคำว่าอารหังเนี่ยแก้้แกฟังเป็นพระมีหางฮะพระอรหังฟังเป็นพระมีหางตลอดตภาวนาพระมีหางตลอดแล้วจนตายเห็นไหมคือแกไม่เชื่อไอ้ทิศทีเนี่ย ม, มันเหนียวรังไว้มากยังเคยมองเขาลอยกระทงนะฮะก็มองจากข่าวอ่ะแต่ถ้าเราเห็นว่าไอ้ทิศทีเนี่ยมันเหมือนกระทงนะ กระทบมันไหลบางทีมันทงมันใหญ่มากไปเกิดน้ําเกี่ยวติดเลยไปไม่ได้เพราะนู้นเราก็เงินกันเป็นเรื่องที่จะต้องระ ม, มัดระวังมากเพราะว่าทิฐินี่ยมันจะนําไปสู่ทูผิดิในมันตัดถิ่นตัวนี้ยอริยมรรคทั้งหมดเนี่ยตัวสัมมาทิฏฐิเป็นตัวหลักถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดได้ในทุกข้อเกิดได้แต่สัมมาทิฏฐิเกิดไม่ได้ในทุกข้อล้มละลายเลยเกิดไม่ได้เลย มือนลราที่เคยพูดวิธีแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยคือสัมมาทิฏฐิตัวล่างสุดเนี่ยตัวที่สิบคือตัวหลักข้างบนนั้นมีอะไรข้างบนเป็นอาการเฉยๆอาการของสัมมาทิฏฐิเฉยๆตอนทิฐิพระเจ้าทรงสอนว่าให้มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยอย่าเป็นวิจาริฏฐิอย่างที่เคยเล่าเรื่องท่านสัญชัยปริภาชก้ชก็มีทิฐิทั้งยึดติดในความเป็นในขณะจารย์จาระทิของท่าน มีความรู้สึกว่าแม้ถ้าเราเป็นลูกศิษย์คนอื่นแล้วก็เหมือนกระจับเจระเขยไปใส่ตุ่มมันเล็กไปเยอะเลยไมยอมไปพระสารีบุตรรู่นะเราจะเห็นว่าท่านท่าน า, นานไม่ได้มองว่าชีวิตเนี่ยเรามาป่านี้อีกกี่ปีเราตายแล้วแต่ก็อยากใหญ่อยางไงขณะพระสารีบุตรขู่อาจารย์เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าขึ้นแล้วในโลกนะ คนทั้งหลายจะไปคว้าพระพุทธเจ้าการอาจารย์จะอยู่ได้ยังไงแล้วก็บอกว่าเออในโลกนี้คนโง่มากเลยคนฉลาดมากสารีบุตรบอกคนโง่มากคนฉลาดน้อยท่านชันใช้บอกเอ้อถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกลัวหรอกคนฉลาดฉลาดก็ไปหาพระส ม, มณาสดมผู้ฉลาดคนโง่ๆก็จะมาอาจารย์ดจะเป็นคนโง่แต่ก็ไม่กลัวหรอกเพราะนั้นเราจะเห็นว่ทิศทีตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ายัางไม่ถึง นิพพานเป็นที่อย่างลงคือตรอบใดที่เป็นอย่างเนี้มันมันบายหน้ามันหันหลังให้นะ่ะหันข้างให้เรือหนหลังให้นิพพานนะ่ะคือแต่ละข้อเนี่ยมันก่อใหเกิดการยึดติดยึดติดประโยชน์ตัวนี้สั้นๆอันใช้คำว่าอิด้ามีวะสัจจังมกะกะมันอย่างอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่าอื่นไม่ถูกต้องท่านจะจบลงด้วยอย่างนั้นทุกข้อนะ ข้อตั้งสิบหข้อหรือว่าสิบสองข้อก่อนเนี่ยมันจะลงอ่าสิบข้อก่อนมันจะลงอย่างนั้นเหมือนกันอีด้าไม่ว่าสัจจังมุขบัญญัติอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างนี้นไม่ถูกต้องบางทีก็ยอมตายไม่ยอมชิงสิ่งที่ผิดที่เห็นผิดตรง น, นั้นแล้วก็คนประเภทเนี้ยจะมีอยู่เยอะในโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพในทางไปสูป่ปณิพนัชเนี่ยจริงมันเป็นทางอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นส ม, มาธิถิสมาธิถินี้เขามีเหตุมีผลของเขาในตัวสมาธิถิจริงๆเ ร, ราจะเห็นว่าแม้แต่โลกียสมาธิห้าข้อเนี่ยปัญญาเน้นชอบในกฎแข่งกรรมก็เรียกว่ากรรมมัสจกตาสมาธิเห็นชอบในกฎของกรรมเมื่อทําอย่างนี้ผลก็ต้องเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้ผลก็ต้องเป็นอย่างนี้ผลกับเหตุนั้นจะต้องสอดคล้องกัน เหตุดีผลดีเหตุชั่วผลชั่วเหตุเสื่อมผลก็เสื่อมเหตุจเจริญผลก็จเจริญถูกมะม่วงผลก็เป็นมะม่วงเป็นต้นมะม่วงมันเป็นสูตรอะเป็นสูตรธรรมดามากๆแล้วก็ดูกันง่ายๆแต่ว่าคนของเรายัางไม่ค่อยใส่ใจสนใจที่จะดูเรื่องแบบนี้เดี๋ยวนี้มากําลังทำหนังสืออิเลฟต์นนะทีจริงยังไปทำมาเยอะเลย ก็เรื่องใต้ร่มพระพุทธญาณเป็นการนำเอาคําสอนพระพุทธเจ้าในแง่มุมต่างๆเนี่ยคล้ายๆกันเดินไปคุยไปเล่าอะไรไปเรื่อยๆนะชี้นกชมไม้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะเป็นชุดเป็นชุดไปข้อเป็นข้อไปอะ่ะตามต้ควรแก่กันนีิที่เราเห็นีเหตุการณ์มันถึงเข้าก็อธิบายขยายความตรงนั้น คือพยายามมาทํำยังไงให้มันตื้นน่ยมันง่ายให้คนฟังเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจแล้พวพอเขาเข้าใจแล้วเขาจับสักหลักได้นะจับไปความเห็นชอบไปเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนะี่ยโอ้ยบุญตายแล้วคนเราถ้าไปยึดมีความเห็นชอบบัดทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วพอแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะกําหนดเป้าหมายทิศทางในการดําเนินไป ตามสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการสุขไม่ต้องการทุกข์เนี่ยความช่วเป็นเหตุแห่งทุกข์ความดีเป็นเหตุแห่งสุขเมื่อทำดีได้ดีทำช่วได้ช่วเราก็มาทำดีนะเพื่อได้ดีแล้วก็มีความสุขทำชั่วได้ชัว่วแล้วก็มีความทุกข์เลยก็จะเกิดการงดเว้นเพรา ะ, ะนนคนที่มีความเห็นในลักษณะนี้ยังไม่ถึงนิพพาน แล้วจะจมลงในระหว่างเนี่ยทีนี้แนวทิฏฐิคือความคิดเห็นของบุคคลเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นรายละเอียดที่ที่มันจําเป็นจะต้องให้รายละเอียดมากแต่อยากจะให้ดูให้ข้อสังเกตสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือคําว่าอัตตาตัวตนที่มีการพูดกันเนี่ยให้ลองสังเกตว่า บางทีก็ยึดถือรูปอารมณ์คือรูปเป็นต้นนี่ว่าเป็นตาตัวตนแต่ ว, ว, ว่าเป็นโลกแล้วยึดถือรูปอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งว่าเชี่ยงยั่งยืนกล่าวเหมือนอย่างนั้นเมื่ออย่างที่กล่าวไว้ว่าชนทั้งหลายย่อมบัญญัติรูปให้เป็นอัตตาและโลกว่าเป็นอัตตาเป็นโลกเป็นเที่ยงเป็นบัญญตัติเวทนาตัณหาต่างๆวิญญาณนนทั้งหมดฮะ ะเราจะเห็นว่าที no no like into, <t ip concentrate> ่พระเจ้าทรงแสดงในอนัตตลักษณ์สูตรทรงปฏิเสธนะรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญาณิจจาสังขารนิจจาวิญญาณังอนิจจังเนี่ยดูฟังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญาณัตตาสังขารนัตตาวิญญาณังอนัตตาก็เพื่อต้องการจะเห็นว่าผู้เหล่านี้ที่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่อย่างที่เขาเชื่อกัน แล้วก็คนที่ถกเฉียงกันในลักษณะอย่างนี้แล้วแข่งแย่งกันในลักษณะอย่างนี้ก็ทำให้บ่ายหน้าไปอีกทางหนึ่งคล้ายๆกับว่าปณิพานไปทางขวาแล้วเราบ่ายหน้าไปทางซ้ายเนี่ยมันไม่มีทางเจอเพราะฉะนั้นบนเส้นทางของปณิพานให้ลองสังเกตว่า เวลาเรียกเต็มที่นะฮะเรียกเรียกว่าสัม ม, ตมัตตากะมิจตตะเรียกครบสิบข้อเนะี่ยในสัมมตัตตานี่มันเริ่มที่สมาธิฏิคือปัญญาเน้นชอบตั้งความเป็นจริงแล้วก็ไปด้วยนะฮะไปจบตั้งแปดข้ออย่างที่ว่าเนะี่ยแต่เมื่อเขาประนึกรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันเนะี่ยมันจะเกิดเป็นสัมมาญาณแล้วความรู้ในทางที่ชอบพอสัมมายาณปั๊บในจิตมันจะหลุดพ้นจากจิเลตเป็นสัมมาวิมุตติไอ้ น, นี้ก็สายจบสายตรงสายถูกนะฮะ ทีนี้พวกนี้มันเริ่มดีมีจาทิฏฐิเพราพอเห็นผิดเราก็คิดผิดนะพอคิดผิดก็พูดผิดก็ทําผิดก็เลี้ยงชีพผิดก็พยายามผิดก็ระลึกผิดก็จิตก็สงบก็สงบผิดะจิตสงบแบบรัฐบุตรินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็สงบนะฮะแต่สงบแล้วก็ผิดหลังปัญหาเยอะนะฮะรัฐบุตรินเกิดมาคนหนึ่งมาเล่นเอาคนตายกันสืบเนื่องกันเพราะมีรัฐบูตรินเกิดมานี่เยอะไม่ใช่เล่นเหมือนกัน ดังนั้นในข้อนี้พระพุทธเจ้าจึงส่งแสดงอธิบายว่ามันเหมือนกับคนตาบอดมาโดยกำเนิดแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าถึงพระนิพพานเป็นที่อย่างลงแต่ว่าจมอยู่ในระหว่างนะจมลงในสังสารวัตะ คือถ้าจมแรงๆเนี่ยพวกนิยะตามิจาทิฐิเนี่ยมันก็มีอยู่สาข้อนะพวกนี้ก็เรียกว่าวัตฏะคาโนะเป็นหลักปอของวัตฏะไม่มีโอกาสที่จะสร้างสรรค์พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปได้ตราบใดที่เธอยังไม่ละวางทิฏฐิตรงเนี้ยตอนนั้นเธอก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ตัวนี้ก็คือพวกอันกิริยทิฏฐิถือว่าการกระทำไม่เป็นการกระทำ เอตุกาธิติถือว่าผลทั้งหลายนี่ไม่ไมาจากเหตุนติกาธิติไปเสร็จหมดเลยไปเสร็จกรรมไปเสร็จสังสารวัตนะฮะไปเสร็จกรรมไปเสร็จสังสารวัตรปฏิเสธพระพุทธเจ้าไปเสรูจพระพุทธเจ้าเพราะในสมาธิฐิาข้อที่ยกไว้หนึ่งข้อตะกี้เนี่ยหนึ่งกรรมสักกถาสมาธิิปัญญาเน้นชอบในกฎของกรรม สองวิปัสนาสมาธิทิฐิปัญญาเห็นชอบอย่างแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงแห่งสังขารธรรมทั้งหลายว่าตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาแล้วก็มรรคสมาธิเห็นชอบในผลในในเหตุนะในเหตุที่จะดําเนินไปสู่ผลที่เราต้องการพรลัสสมาธิธิผลมันเกิดเหตุมันปรากฏแต่ว่าวินิฉัยผลเนี่ยมองผลสืบสาไปหาเหตุได้ ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะการสืบสาวเหตุผลเนี่ยส า, สาวจะผลมาหาเหตุสาวจะเหตุไปหาผลเนี่ยให้มันต่อเนื่องกันจริงๆรงปรัญหาความยุติธรรมเนี่ยที่เราสาวไม่ได้เลยลเนี่ยยกตัวอย่างเหตุการณ์สามจังหวัดภาคใต้เนี่ยดูมันเฮี้ยมเกรียมลม่เตือนพวกเนี่ยเพื่อนี่หกจังหวัดเดือดร้อนกันปาดเจบลนตายกันหลายพันคนในโลกตายกันเป็นแสนนะ มันยังไล่ฆ่าคนเฉยวางระเบิดเฉยแปลกจริงๆแต่คอมันคิดยังไงแต่คอมันคิดยังไงนั้นก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นความยุติดที่ยากต่อการจะถ่ายถอนผ่อนคลายเพราะว่าไม่ได้ใช้เหตุผลคือไม่สามารถจะโยงเหตุกับผลผลกับเหตุได้ เชนมีความรู้สึกว่าตนเป็นประชากรชั้นสองด้ยโอกาสในการศึกษาและเรียนมันไม่ใช่ได้ยเราไม่ศึกษาเองเราจบปรหกแล้วเราไปเข้าพอนอเองเราไม่ยอมเรียนเองแล้วทีนี้เมื่อไม่มีความรู้ตามที่หน่วยงานเหล่านั้นก็ต้องการก็ไม่มีงานทำอะ่ะเขาจะจ้างยังไงอ่ะเราไม่มีความรู้จะไปจ้างพนัก ง, งานพิมพ์ดีดเราไม่เห็นแม้แต่เครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยเขาจ้างได้ไง ทีนี้มันไม่สามารถจะโยงในเชิงเหตุผลได้แล้วก็คนที่รับผิดชอบเหล่านี้ไม่พยายามที่จะให้ผลมานั่งคุยกันอย่าไปอ้างอย่างนั้นอย่างวันก่อนเนี่ยมาก็พูดว่าพวกอิสลามก็อยู่ด้วยที่ศูนย์นิยธรรมแห่งชาติบอกว่ามันไม่ในการมาทวงที่ดินเนี่ยมนทวงจังหวัด จะสร้างรัฐใหม่อย่างเงี้ยมันมีสิทธิอะไรมาทวงใช้สิทธิอะไรมาทวงเพราะว่าถ้าทวงแล้วมันทวงต่อกันไปเรื่อยๆจนลงทะเลเลยแต่เราไม่พราะไม่ใช่เหตุผลแล้วก็ไปอย่างเงี้ยจริงๆถ้าใช่เหตุผลเนี่ยถ้าเหตุผลแล้วเราก็แก้ปัญหามีปัญหาอะไรกแก้ก็แก้เวลาเนี้ยจริงๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง แล้วก็ทำไปเพื่ออะไรวัตถุประสงค์นั้นเป็นสันนิษฐานจากเอกสาร ต, าต่างๆที่เป็นไปในทํานองว่าขอแบ่งแยกดินแดนน่นะแต่ว่าใครอยู่เบื้องหลังจริงๆเราไม่รู้เราสังเกตว่าพวกเ g o อพวกนักวิชาการทั้งหลายนี่มาชี้ผิดที่ถูกนะแลว่ารัฐมีการกระทำที่รุนแรงอย่างนั้นใดนี้รุนแรงอะไรรัฐจะไม่รู้ใครเลย และที่รัฐปฏิบัติไปในสองกรณีนะ่ะใครจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายแล้วก็แน่นอนแหละปะัญหามันพาไปก็มีเพราะว่าอะไรก็ตามมาถึงขั้นอย่างนั้นแล้วก็ไปขีดเส้นไม่ค่อยได้แล้วเพราะต่างคนต่างก็ผดดู้ตาย ราักษาชีวิตตัวเองรักษาทรัพย์สินของราชการรักษาอะไรต่อไม่อไรเนี่ยทีนี้เราไม่ได้อยู่กันด้วยเหตุผลเพราะเราเห็นว่าเราไม่รู้จักเหตุแล้วก็ไม่รู้จักผลไม่สามารถเชื่อมโยงผลไปหาเหตุเชื่อมโยงเหตุไปหาผลได้แล้วก็ไปโยนความผิดให้แก่รัฐให้แก่ประเทศชาติประชาชนทั้งหลายสร้างความยากจนราะยากจนจริงเมืองไทยเนี่ยคนจนเยอะไป เราไปศรีสะเกดนะเราไปบุรีรัมเราไปที่ร้อยเอ็ดแม้แต่ปากพานาังเองนะปากพานาังเนี่ยเป็นอู่ข้าอูน้ำาต่เมื่อก่อนวันนี้คนยากจนเยอะแล้วคนที่ประสบอันตรายอยู่แถวอันดามันเนี่ยก็คนยากจนเยอะคือมันเป็นเรื่องที่เป็นเหตุผลธรรมบุคคลอนั้นนะคนเราเนี่ยมัน ถ้าเรามีความรู้มากมีความรู้ดีมีความคิดดีมีความสามารถสูงมีศักยภาพสูงมีคุณธรรมที่คนก็เห็นว่าเราเป็นคนมีคุณค่านะะเป็นที่ต้องการคนทั้งหลายเนะี่ยเรี่อง น, นี้แรงงานบางตําแหน่งในบริษัทต่างๆนะี่คือไปอบรมเนี่เราฟังแลยสะดุ้งเลยนะเงินเดือนเป็นล้านนะวันก่อนฟังหมอคนหนึ่งที่เขาพูดเขาทาหน้าที่ทําสัญญกรรม ปรากฏรายได้ก็เดือนหนึงจ็ดแปดแสนไม่ใช่เล่นนะแล่เพราะอะไรเพราะเขาเรียนมาเยอะมากๆเลยพอถามปริญญาอ ะ, ะไรจะเรียนมากลงทุนในการศึกษาไปเยอะความรู้ความสามารถเขาหลากหลาย ก, ก็ทำงานได้ไว้เนี่ยคือมรรคกับผลเนี่ยมรรคเนี่ยเป็นเหตุผลก็คือผลทีนี้มันต้องมีปัจจเวกขณะสมาธิ คือปัญญาเน้นชอบที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพินิษพิจารณาเฉพาะจอดจงลงไปในเรื่อ ง, งนนเหล่านั้นวพราแนวทิฏฐิเหล่านี้คือไม่ยอมพิสูจน์แม้แต่ตัวความเห็นตัวเองมันก็ใช้ความความปักใจความยึดติดเขาเรียกว่าเป็นทิฏฐุปาทานนะฮะยึดมั่นถือมั่นเดิมหน้าความทิฏฐิ มมีลักษณะแค่ๆกับโลภะนะฮะแต่ก็โมหะอยู่เยอะเวลาเกาะคุมเนี่ยท่านเกาะคุมไปอยู่พวกพวกโลภะแต่จริงแล้วเราจะเห็นว่าอาการโมหะเยอะเพราะว่าไม่ยอมพิสูจน์ตรวจสอบแม้ในตัวความเห็นของตัวเองลักษณะเหล่านี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างแต่เราสังเกตว่ามีเป็นอันมากที่มันเกิดมาจากความเห็นของเรา คือความเห็นก็เราผิดวินิจฉัยในกรณีนั้นแหละไม่ถูกต้องบางครั้งบางคราวเนี่ยอย่างตอนได้รายเงินเพื่อช่วยคนดังแต่ปัจดามันเนี่ยโอ้เร่งรัดกันมาถามว่าเร่งรัดทำอะไรคืออยู่ขอ้อมูลข่าวสารเนี่ยเขาไม่สั่งคําสั่งอย่างนั้นเรากเขไม่เร่งรัดอย่างนั้นแลยไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องตายอะไรขอเนี่ยเขไปช่วยมันเหลือจะไม่รู้จะทํำยังไงแล้ว มันต้องไปดูที่บ้านเรือนเขาก่อนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆกระดม ก, กระดานะะอะไรแต่ไรในนี้นะฮะมันไม่ใช่ไปเอาของสังฆทานไปได้แจกเขาของเหล่านี้มันลน้นไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเรืองนี้มันก็ต้องแบ่งอะไรก่อนอะไรหลังให้ความต้องการแก่อะไรก่อนอะไรหลังเพื่อต้องพิจารณาแต่ยันว่าแนวโลกยศสมาธิห้าข้อเนี่ยมันก็เป็นแนวกระแสหลักที่ถ้าหากว่าเรามี เ, เราก็แก้พวกนี้ได้ แต่พอที่ทีผิดตั้งหลายนนในชุดหนึ่งก็สิบข้อในชุดหนึ่งก็สิบหกข้อนี้ก็เป็นข้อความในพระสูตรที่เรียกว่ากิรษสูตรแต่พอดีมันสองสูตรนะสองสูตรท่านข้อแรกท่านเรียกว่าปัมญากิรษสูตรข้อที่สูตรที่สองก็เรียกว่าทุติยา ก, กิรษสูตรเล่าฟังตั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้ว ย, วยเวลาพิมพ์ธรรมนี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี